มาตัมโฟังเรามาฝึกปฏิบัติตามมากันเรามาฝึกทำจิตใจให้มีความสงบให้เข้าถึงความสุขที่อยู่ในภายในในรายการธรรมารบรุณช่วงของจิตตกวีเวทุุวนการเรามาเริ่มทำจิตให้สงบกันไปด้วยกันโดวยวิธีการเจริญอณ า, าปานสติ เรามาหาที่สงบสงบกันสักหน่อยหนึ่งทำความสงบทางจิตทำจิตให้มีปัญญาทำจิตให้มีกำลังบางครั้งบางคราวเราจะได้อะไรบางอย่างสิ่งใดมาก็ต้องเกิดขึ้นจากการที่เราต้องเสียบางอย่างสิ่งใดไปดังพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ดังนี้ว่า มัตตาสุขปริจาารเเจาคาปเสเจวิปุหลังสุขังจะเชมัตตาสุขังตีโรสัมปัสสังวิปุหลังสุขังแปลว่าถ้าบุคคลพึงเห็นสุขอันไพยบู์ควรสละสุขพอประมาณเสียผู้มีปัญญาเมื่อเห็นสุขอันไพบู์ก็พึงสละ สุขพอประมาณเสียจึงจะได้พบสุขอันไปบูญเราจะให้ได้ความสุขที่เกิดจากในภายในที่เป็นความสุขอันละเอียดอันลึกซึ้งอันระงับเป็นความสุขที่เกิดจากความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพานก็จําเป็นที่จะต้องไม่ไปกวนขวายเอา ความสุขที่จะเกิดจากทางกามความสุขที่เกิดจากเครื่องล่อที่ต้องใช้เสียงมาล่อผ่านทางหูใช้กลิ่นใช้รสมาล่อผ่านทางจมูกผ่านทางลิ้นไม่เอาสิ่งนั้นไม่เอาสิ่งนั้นก็คือสละมันออกนั่นเองสละสิ่งเล็กเ็กน้อยน้อยเหมือนนักลงทุนตัวัง พ่อคาที่มีปัญญาเขาก็เสียเงินเพื่อที่จะซื้อของแต่รู้น่ะว่าอันนี้มันจะขายได้ที่อื่นราคาสูงก็ยอมสละเงินสดที่ตุนเองมีสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่หวังเวลาที่นำไปขายต่างเมืองแล้วมันจะกำไรขึ้นสองเท่าสามเท่าคุณซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เท่านี้ราคานี้ เราเสียเงินนะแต่สิ่งที่ได้มานั้นคือสินทรัพย์ที่มีค่ามากกว่าในเวลาต่อไปหรือเขาซื้อที่แปลงนี้ก็หวังว่าจะได้ขายในโอกาสต่อไปที่มันมีราคาสูงกว่าเหมือนกันทุกฝังเราสละเวลาสักประมาณหกสิบนาทีเพื่อที่เราหวังว่า เราจะได้ความสุขในภายในที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเวลาหกสนาทีนี้แทนที่เราจะไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นไม่เราสละออกเสียสละไม่ใช่สละทิ้งนะดูฟังแต่สละเพื่อว่าจะเอาความสุขที่ดีกว่ายิ่งกว่าเหนือกว่าเลิศกว่าประณีกว่า เริ่มจากการที่เรามาตั้งสติไว้ทัางุฟังคนเราจะมามีปัญญาจะมารู้ถึงใกล้กลววว่าสิ่งนี้เออดีควรลงทุนควรจ่ายควรซื้อเพราะมีค่ามากกว่าส่วนสิ่งที่มีค่าน้อยเอออันนี้เราควรสละออกเสียควรกำจัดควรละควรทิ้งจะมาคิดอย่างนี้ได้ เห็นได้ด้วยปัญญาต้องเริ่มจากสติสัมปชัญญะตั้งสติไว้ก่อนโดยฟังอย่าให้มันเลินไปตามสิ่งที่มีค่าน้อยมีโทษมากเริ่มต้นโดยการมาจเจริญอาณาปานาสติตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจเรามาฝึกจเจริญอาณาปานาสติทำจิตให้มีความสงบ แล้วใช้อานาปานสติทำมิปัสสนาให้เกิดขึ้นสังเกตดูลมหายใจของเราตร้งบวชฝึกทำกันไปปรอมๆมกันดูที่ลมเห้ยดูที่ลมมันสู้ดูหนังดูละครดูทีวีไม่ได้ก็อันนั้นก็สุขอยู่เพลินอยู่พอใจน่าสนใจเป็นที่รักที่ใคร่แน่นอน ความสุขที่เกิดจากต่างตาด่างหูใช่ไหมละ่ะมันหน้าเพลิดเพลินเพลิดเพลินนี่แหละทุมฝั่งมันตรงกันข้ามกันกันกบสติมีความเพลิน อ, อยู่ตรงไหนสติก็อ่อนกำลังลงตรงนั้นความเพลินยิ่งมีอำนาจมีกำลังมีความเพลิดเพลินมากเท่าไรความหลงลืมความเผลอสติความระลึกไม่ได้ มันก็ยิงมีมากขึ้นก็มันนึกไม่ออกไงเลื่อนไปแล้วก็เลยไม่เห็นค่าไม่เห็นความสำคัญเอาไหมตอนนี้มาเตือนกันนี่นี่นี่คุณก็มาเรื่อยก็มาเตือนเนี่ยเอ้ยมันหลุดออกจากพวังนะกึบเลือนไปตามความสุขทางตางทางหูลุดออกตั้งเสติวไว้สูดลมหาใจลึกๆสักสองสามครั้ง รับรู้ถึงสัมผัสของลมได้ณนะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไวนะ้ณที่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนั้นนะมันตำแหน่งไหนก็ลมมันเข้าตรงไหนเล่าเข้าหูที่ไหนลมมันก็ต้องเข้าตรงป ร, โรงโลมจมูกในป ร, โรงโลมจมูกของเราเนี่แหละตัมบูฟังสังเกตมาที่ตรงนี้จะไปสังเกตที่ลิ้นจะไปสังเกตที่ตาไม่ใช่ จะสังเกตการสังเกตดูนี่นั่นแหละมันคือสติแต่นี่จะไปสังเกตดูความสุขตรงนั้นความสุขตรงนี้ข้างนอกไม่เอาเริ่มขึ้นในกายเริ่มขึ้นจากในภายในของเรา้าแน่นอนมันไม่เห็นจ ม, มูกหรอกเพราะมันมองมันเลยไปเลยตาก็ไม่เห็นหูด้วยเพราะมันอยู่ข้างๆกัน แต่จะสังเกตได้ไม่ได้ใช้ตานะใช้ความรู้สึกความรู้สึกตรงนี้อะไรมารู้สึกจิตเราเนี่ยแหละมารู้สึกจิตเรามารู้สึกทำหน้าที่ในการรับรู้ความระลึกได้ตรงนี้แหละจิตคือผู้ที่ไประลึกได้ความระลึกได้ระลึกถึงลมสังเกตดูลม ความสังเกตได้ความระลึกได้นั้นคือสติตั้งขึ้นไว้ทั้งูุฟังตั้งสติขึ้นไว้คือระลึกถึงลมหายใจได้พอหายใจแรงๆสักสองสามครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้แล้วคราวนี้ไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องแต่งลมให้สัน้นให้ยาวให้เร็วให้ช้าให้ทีให้อ่างให้ร้อนให้เย็นให้ เป็นธรมธรมชาติธรรมชาติให้เป็นธรรมดาธรรมดาของมันไปบางคนกลมหายใจสั้นยาวเร็วช้าไม่เท่ากันเราให้จดจ่ออยู่กับลมไม่แต่งลมไม่บังคับลมรู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวไม่ต้องตามลมด้วยไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออก เวลาเรามารู้ึกถึงลมรู้อยู่ที่เดียวอย่างนี้ตั้ง่ว่ามีสติแล้วสติอยู่ตรงไหนสติไม่ใช่ลมนะเรียกกันตั้งแต่แรกก่อนเลยสติก็ไม่ใช่จิตด้วยสติไม่ใช่ผู้ที่เข้าไปรู้ลมหรือลมหายใจนั้นคือสติไม่ใช่แต่อาการที่จิตกลเรมมานึกถึงลมหายใจได้นี่ต่างหากความนึกนี่มันต้องเคลื่อนมา จากที่ที่มันเพลินไปฉันจิตมักจะมีการคล้อยไปตามเรื่องที่ไปตริตรึกคิดนึกถ้ามันไปตริตรึกเรื่องของเสียงผ่านทางหูจิมันก็คล้อยไปทางนั้นถ้าจิตมันไปตริตรึกเรื่องของกลิ่นผ่านทางจมูกเรื่องของธรรมารมผ่านทางใจมันก็คล้อยไปทางนั้นทางนั้นจิตมันมักจะไปอย่างนี้แต่ให้จิตเราตอนนี้มาเลิก ถึงนึกถึงลมที่มันเคลื่อนจากการที่จะเพลินไปมานึกถึงลมได้นี่ลักษณะแบบนี้การระลึกได้นี่คือสติไม่ใช่ลมไม่ใช่จิตไม่ใช่การรับรู้เพราะการรับรู้คือวิญญาณก็อีกอย่างหนึ่งแยกแยกกันให้ดีสังเกตดูให้ชัดเจนเวลาเรามาระลึกถึงลมใ้ความที่จิตมันจะไป เผือเปลืองสิ่งอื่นจะลดลงก็ดูสิว่าเรานึกถึงลมอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินเสียงหรอองก็ได้ยินเสียงก็ยังได้ยินกันอยู่นี่ก็ไม่ใช่ว่าลืมตาแล้วจะไม่เห็นรูปหรอเอ้าก็เห็นสิเพราะว่าลืมตาก็เห็นภาพเห็นอะไรต่างๆถ้ามีคนผายลมมีคนทําอาหารมีคนไออยู่ข้างๆเฮ้ยเราก็ได้กลิ่นด้วยนะจมูกมันเปิดอยู่ตลอดเวลา รับรู้ได้แต่ก็ไดที่รู้ลมนั่นแหละเพราะว่าการรับรู้คือวิญญาณมั่นก็ไม่ใช่สติอีกเหมือนกันการรับรู้คือวิญญาณตามช่องทางต่างๆมีได้ขณะที่โดนฟังมารู้ลมมีความคิดไหมละ่ะความคิดคือธรรมารมมันมีบางครั้งถ้ามันมีมามันก็มาเสียงภาพไม่ต่างกัน ตั้งเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราจับสัตว์หชนิดม้าผูกไว้ด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเสนหนึ่งแล้วเอาปลายเชือกอีกด้านหนึ่งนั้นม้าผูกไว้ที่เสาแน่นอนว่าสัตว์6ชนิดมีนกซึ่งมีที่หากินคือบนฟ้าบินขึ้นได้มีสุนัขบ้านแน่นอนว่าที่หากินของมันคือในหมู่บ้าน แต่เจ้าของเรียกมันเนี่ยมันก็ไปเลยส่วนตัวที่สามนั้นเอาสุนัขจิ้งจอกที่จมูกมันดีเวลามันได้กลิ่นซากสมอะไรอยู่ไกลๆมันก็จะไปทันทีมันไม่ไีมาอยู่รอบตรงนี้อยู่นิ่งๆนี่หรือถ้าเราเอาจระเข้จระเข้นี่ลิ้นมันสั้นนิดเดียวโยนอะไรไปมันมันงับหมดเลยที่หากินมันอยู่ในน้า หรือถ้าเราเอางูงูนี่มันเลื้อยไปด้วยอกเป็นผู้ที่ไม่ได้ไปตรงๆมันต้องเยื่องไปเยื่งมามันหนึงจะไปมันจะมีความปลอดภัยได้มันก็ชอบจะเข้าไปในรูที่อยู่ตามโคนจอมปลวกงูมันไปจอมปลวกที่หากินที่อยู่ของมันส่วนลิงละ่ะเอาลิงมามาปลูกไว้ลิงมันจะอยู่ที่ไหนมันก็ต้องอยู่ในป่าชอบพนตัวไปมา สตว์หกชนิดมันจะไม่ได้มาอยู่ที่เสาวมันจะไม่ได้มาอยู่นิ่งมันก็จะต้องไปที่ทเที่ยวดี่หากินของมันแต่มันติดเชือกอยู่ถูกผูกด้วยเชือกที่มัดอยู่กับเสาอีกต่อห น, นึง่งเวลาถูกผูกไว้งี้มันจะดึงไปเช่นเดียวกันตัวเราตัมฟังถูกผูกเอาไว้ด้วยอำนาจของกรรม ในสิ่งแวดล้อมที่มีตาเห็นภาพแบบนี้ที่มีหูจมูกลิ้นกายและใจได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสโพธผ้มีความคิดนึกมีไอเดียมีธรรมารมแบบนี้แบบนี้เราถูกหูกอยู่ถูกล็อกอยู่ด้วยอำนาจของกรรมสมูฟังเราถูกล็อกอยู่แบบนี้แต่เป็นสัตวเดรัาน เขก็ถูกล็อกอยู่ในร่างกายของเขาแบบนั้นแต่เป็นเทวดาเป็นพรหมก็มีความแตกต่างกันไปแตกต่างกันไปที่ถูกล็อกอยู่นี่เพราะด้วยอำนาจของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดคนเราต้งหลายอยู่ในพบอยู่ในสปาร์วาแบบนี้ทีนี้พอสปาร์วาแบบนี้มันล็อกเราไม่ได้แล้วมันหมดละมันจบละถิ่นว่าคนตาย เกิอดอุัติเหตุบ้างโรคภัยไข้เจ็บบ้างหรือหมดอายุขายบ้างตายแล้วร่างกายนี้ล็อกให้อยู่ตรงนี้ไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันก็แตกกันไปในจังหวะที่มันแตกกันไปมันจะเชื่อมล้อมรวมเป็นใ ห, หม่ไหมคือแตกแล้วส่วนที่เป็นดินก็ไปทางดินส่วนที่เป็นน้าก็ไปทางนา้ำใช่ั้ยล่ะส่วนที่เป็นน้ำมันก็แตกสลายไปเหมือนกัน คำถามเกี่ยวกับมันจะมารวมกันอีกได้ไหมเป็นไปได้นะเป็นไปได้ถ้าบอกว่ามันมีเหตุให้มารวมกันของเจ้านามแล้วรูปต่างๆเหล่านี้เอาก็ถ้าส่วนที่เป็นนามมันมีการเกิดนามอยู่ตลอดเวลามันจะเกิดขึ้นใหม่ได้มันก็ต้องมีที่ที่เป็นรูปให้มันเกิดละให้มันก้าวลงทีนี้มันจะไปเกิดไปก้าวลงมันจะรวมกับอะไรก็ตามอำนาจของกรรมต่อไปอีก เวลมันไปรวมกันมันอาจจะไปรวมกันตามเหตุปัจจัยเกิดในคันของสัตวิรัจานหรือปุดเกิดขึ้นเป็นสัตว์นรกหรือปุดเกิดขึ้นเป็นเทวดาหรือถ้ามันไม่มีเหตุที่มันมารวมกันนะหมดกรรมแล้วก็หายไปดับไปเป็นลนักษณะของพระอรหันต์ไปอันนี้คือร่างกายของเรานี่มันมารวมกันอยู่ตรงนี้มีพบมีสว า, วายอย่างนี้ เห็นภาพอย่างนี้ได้ยินเสียงอย่างนี้ภูก็ได้อยู่เอาไว้มีลักษณะความเป็นอยู่อย่างนี้นี่คือในพขอเราเป็นอย่างนี้เสียงก็ได้ยินบานดังหูอย่างนี้ซึ่งมันจะทำให้เราเพลินไปได้หมดเพลินไปตามธรรมรงอยู่ในช่องต่างใจเพลินไปตามเสียงบานดังหูได้หมดในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ว่าโอเคที่เพลินไปเนี่มันก็สุขอยู่มันก็ดีอยู่มันก็ให้ความ สุขความพอใจความยินดีแก่เราได้แต่ปัญหาของมันก็มีทุกสิ่งกะ น, นะมีคุณมีโทษมีประโยชน์มีอันตรายทั้งหมดน้อยมากไม่เท่ากันในที่นี้เราจึงต้องรู้จักแยกแยะถ้าเราไม่แยกแยะและเราดันไปใช้สิ่งที่มีโทษมาก มีอันตรายมากแต่เห็นประโยชน์ที่มันน้อยได้เหนื่อยคิดว่ามันมากแต่ที่โทษมากๆนี่ดันไม่เห็นที่ว่ามีคุณนิดหน่อยเห็นดันเป็นมากแต่ที่มีอันตรายมากๆดันไม่เห็นคือวงก็เพลินแบบเงี้ยมันเลยไม่เห็นจึงต้องรู้จักแยกแยะจึงต้องรู้จักติว่ไอ้คนนี้เขารู้ข้อมูลดีกว่าเราเราก็ต้อง ฟังเราก็ต้องรับคำแนะนำเข้ามาดูนะท่านจึงแบ่งแยกเอาไว้ออันนี้โทษมากโทษน้อยอันนี้คุณน้อยคุณมากต้องรู้จักแยกแยะตรงนี้การแยกแยะตรงนี้การจะแยกแยะได้คนอื่นบอกมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าที่เขาบอกแล้วเราจะเห็นได้ไหมที่จะแยกแยะได้เห็นได้ตามที่เขาบอกเนี่ยมันต้องมีสติ ต้องมีสติสติอยู่ตรงไหนสติอยู่ตรงอนุสติจะให้สติตามมาได้ต้องมีอนุสติสติคือความระลึกได้เป็นธรรมหมวดแรกเลยตมฟังตีประพุชาท่านันนึกถึงระลึกถึงแต่ตอนที่ตรัสรู้แล้วใหม่ๆยังไม่ได้ไปบอกสอนใคร ว่าธรรมะอะไรเป็นยังไงโอ้เจอไปบอกไปสอนก็นึกท้อใจด้วยซ้ำว่าเขาจะรู้ตามได้ไหมแม่มันเป็นเรื่องละเอียดเล็กน้อยโอ้ยทำยังไงเขาถึงจะรู้ตามได้นึกถึงสตินี่ก่อนเลยสติคือความระลึกได้ต้องสอนให้คนมีสติก่อน สติแล้วมันจึงจะค่อยเห็นตามธรรมะสิ่งเดินๆต่างๆค่อยเป็นไปวันนี้ตอนนี้เอาสติกันซะก่อนให้สติมีได้จึงคิดวิธีการทั้งหมด1ิบอย่างก็เรียกว่าอนุสติจริงๆแล้วสติเนี่ยมันมีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะทุกฟั ง, งนะสิ่งบางทีเราขับรถขับรถไปธรรมดาอยู่เอานึกขึ้นได้ว่าต้องโทรหาคนนี้ เออไอ้ที่นึกขึ้นได้นะ่ะต้องโทรหาคนนั้นนะ่ะนั่นแหละคือสติหรือเ อ, อ๊ยฉันเอากุญแจไว้ตรงไหนนะานี่อยู่ตรงไหนน้าอ๋อไว้ตรงนั้นอ่านึกขึ้นได้นะ่ะคือสติเฮ้ยแล้วฉันเก็บแว่นตาฉันไนนนะม่ตรงไหนนะมีทั้งสองอันสามอันนี่มันอยู่ตรงไห น, นเอออยู่ตรงหัวเรานี่น้าโอ้ยเก็บไว้ตรงหน้าผาก อ, อ่านึกขึ้นได้นะี่คือสติสติคือความเริ่มได้ีง คือจากที่ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ละแต่มันนึกถึงอีกอย่างหนึ่งได้นะใ้ความที่นึกได้ระลึกได้นั้นนะ่นนนะคือสติไงแต่เราไม่ได้เอาสติทั่วไปนะเพราะว่าสติทั่วไปบางทีมันเป็นมิจฉาสติได้มิจฉาสติตรงไหนก็ตรงทรี่เราจะเประลึกถึงเรื่องที่มันจะเป็นประโยชน์มีคุณมากมีโทษน้อยมีอันตรายน้อยนันไประลึกนึกถึง เรื่องที่มันมีประโยชน์น้อยมีโทษมากมีสุขน้อยมีทุกข์มากถะาเดินไปรู้สึกถึงเรื่องแบบนั้นมีอันตรายสูงก็เป็นมิจฉาสติดูนีวันพฤหัสมันสุกอย่างเงี้โอ้ยมเมื่อไหร่จะเลิกงานเฮียสาววิจิตรนี้ฉันจะไปไหนคุณนึกเรื่องนี้ได้ต่อไห น, นก็กําลังทํางานที่ว่าฉันทําอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยแตเบื่อจะตายอยู่แล้วอย่างนี้ไง ทำงานงกงกงกอยู่แต่ว่าก็นั่นไปนึกถึงไปฉันจะกินอะไรฉันจะไปที่ไหนสัปดาห์ทิพนี้จะไปไกล ใ, ให้เราไปนึกถึงเรื่องการเนี่ยมันเป็นมิจฉาสตินะในขณะที่ว่าคุณทํางานอยู่แต่มันเบื่อมันง่วงมันเหนื่อยดั้นไปนึกถึงเรื่องอื่นนี่ไม่ถูกท่านจึงสอนอนุสติไว้ยสิบอย่างหนึ่งในอย่างที่เราเลือกมาดํากันในที่นี้คืออาณาปานสติ แทนที่จะระลึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ตอนนี้เรามานึกถึงลมไงนึกถึงลมกับรู้ลมมันต่างกันอยู่นิดหน่อยนะรู้นี่ยก็คือว่ามีปัญญาใช่ไหมมีการรับรู้ไม่ต่างอะไร ก, กันกับเรารับรู้กลิ่นผ่านทางจมูกรับรู้ความคิดผ่านทางใจเราได้ยินเสียงมันก็เป็นการรับรู้เสียงผ่านทางหูเอาทุณมารู้ลมมันก็เป็นการ สัมผัสนะสัมผัสเป็นผลทัพภาคของเนื้อเยื่ออะไรที่มันละเอียดอ่อนอยู่ในโพรงจมูกนั้นเรามารับรู้นั้นนั่นคือวิญญาณนะไม่ใช่สติบางคนจะเพลินไปกับลมหายใจเพลินไปกับปัจจุบันก็ได้นะเพราะาบางทีเราทํางานไปเนี่ยเราไม่มีสติอยู่ในปัจจุบันทํางานจดจ่อไปเนี่ยมันก็เพลินอยู่ในสมาธิได้เพลินในปัจจุบันได้ใหม่ๆห่ให ม, ม่อย่าไปนงงนะตอนนี้เรา ตั้งสติขึ้น ร, มมรู้ลมไม่ตามลมรู้ลมไม่ตามลมจังหวะไหนจังหวะที่เราก็รับรู้สิ่งอื่นด้วยเออนี่มันเริ่มเขา้าตาแล้วได้ยินเสียงผ่านทางหูด้วยแต่ไม่ลืมลมนี่ น, นตรงนี้ตรงนี้จึงจะเริ่มเป็นสติรับรู้กลิ่นผ่านทางจมูกด้วยแต่ไม่ลืมลม มีความคิดนึกต่างๆอยู่ในช่องทางใจด้วยแต่ไม่ลืมลมไงความไม่ลืมเนี่มันคือสติก็คือรู้ไปด้วยกันป่ะใช่ที่ว่าจะไปตรงเสียงไปตรงกลิ่นไปตรงภาพร้อยเปอร์เซนมันจะเบาบางลงมันจะมีสัดส่วนที่เราต้องมานึกถึงลมอยู่ด้วยสัดส่วนตรงนี้แหละดําวางมันคือสติคือความไม่ลืมลม สติลม้มและจิตให้อยู่ด้วยกันจะรับรู้สิ่งใดๆก็ธรรมดามันจึงเป็นกระบวนการการแยกแยะไปในตัวด้วยธรรมะบางแยกแยะให้เราเห็นว่าวิญญาณการรับรู้เสียงภาพก็ส่วนหนึ่งลมหายใจก็ส่วนหนึ่งสตินี่จะเป็นตัวแยกแยะสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกจากกันทั้งหมดเราตั้งสติไว้ความที่เราจะเผลอเปลินไปตาม เสียงภาพนั้นความคิดนั้นจะเบาบางลงหมายความว่าเราก็จะไม่มีอคตินะอคติมันจะลดลงจิงใดสิ่งหนึ่งที่เราเพลินไปพอใจไปยินดีไปจิตเรานั้นมักจะมีแนวโน้มที่จะเห็นแต่ประโยชน์เห็นแต่คุณเห็นแต่ข้อดีของมันมากขึ้นเห็นข้อเสียเห็นโทษเห็นอันตรายของมันน้อยลง นี่คือลักษณะที่เราเปิดไปแล้วใช่ไหมไอ้โทษก็มันจริงๆมันอาจจะมีมากอาจจะมีอันตรายสูงแต่ว่าถ้าเราเห็นแต่คุณเห็นแต่ประโยชน์โทษเหล่านั้นมันกลายเป็นนิสเดียวมองเห็นไม่รอบดานแต่สิ่งที่เรายังไม่เคยเห็นประโยชน์ยังไม่รู้จากคุณยังไม่เข้าใจถึงความดีคือมันดีมากแะแต่ว่าเราไม่เห็นนะนิเดียวเราก็รู้นิดหน่อยตามที่เคยได้ยินมา คุณนึ่ก็บอกมาพอไม่ได้ประโยชน์จากมันสัดส่วนโทษมันก็เลยมากจะให้เห็นตามได้สติแยกแยะใช่ไหมแยกแยะรู้จักถูกรู้จักผิดละรู้จักที่จะไม่เพลินไปแล้วพอไม่เปลินไปแล้วตรงนี้แหละตงมาฟังให้เรามาใครกุโนพิจารณาใกรกุโรนพิจารณาการใกรกุโนการพิจารณาก็คือหมายถึงการคิดเดานั่นแหละ พอเราตั้งสติเอาไว้ความเปลินลดลงจิตเรามาอยู่ลมเวลาเราตั้งสติขึ้นคือจิตก็เรามาสอดส่องอยู่กับลมหายใจจิตขอเราสอดส่องสนใจใส่ใจไปตรงไหนจิตเราก็จะคล้อยเคลื่อนไปทางนั้นถูกไหมล่ะเพราะเราพยายามให้จิตเราไปทางลมมันก็คล้อยไปทางนั้นไงใส่ใจเพราะนั้น มันก็เพ่งไปตรงนั้นมันก็ไปตรงนั้นมันก็มีเหตุมีผลของมันะสมเหตุสมผลที่เป็น c o m ม o n sense จิตเราคล้อยเคลื่อนจดจ่อตรุดตรึกไปทางไหนสิ่งนั้นมันก็มีพลังสติก็มีกำลังตามกระบวนการของอาณาปานสติขึ้นมาสิ่งอื่นๆที่ว่าจะให้จิตเปลิ้เปลนไปนั้นจะอ่อนกำลังทำไมอะ ก็ถ้าเราไม่ได้ใส่ใจไปในสิ่งไหนไม่ไดต้ตรึกไปในเรื่องใดพอไม่สนใจแล้วจิตมันก็ไม่คล้อยไม่เคลื่อนไม่ไปทางนั้นไงเอาจิตมันไม่ไปทางไหนสิ่งนั้นมันก็อ่อนกำลังก็คอมพานเซนต์ถูกปะ่ะก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลกำลังเนี่ยที่ว่าเราจะให้กับสิ่งไหนตามแต่ที่จิตเราจะจดจ่อไปเคลื่อนไปไม่ได้บังคับนะ เพราะถ้าเราพยายามบังคับเราจะปวดหัวบังคับลมหายใจก็ตามบังคับความคิดก็ตามไม่แต่ให้มันเป็นธรรมชาติให้มันเป็นธรรมดาให้ทำอย่างสบายๆทำอย่างสบายๆเป็นธรรมชาติธรรมดาก็ตามกระบวนการนี้แน่นอนว่ามันต้องมีการน้อมมีการควบคุมก็ไม่ใช่ตึงกับว่าปล่อยปละละเลยไปเลยนะ ปล่อยเลยตามเลยเนี่ยมันก็ไม่ถูกจะ่บังคับกูเข็นตดจอบีบขั้นก็ไม่ได้ให้เป็นธรรมชาติมีการควบคุมพอประมาณพอประมาณพอประมาณเนี่ยแล้วมันคือทางสายกลางทางสายกลางปรารบความเพียนไม่ใช่ปล่อยปละละเลยเรือเอาข้างย่อนต่ อ, อข้างเคร่งเอาตึงๆหน่อยตึงๆนี่คือทางสายกลางแบบตึงๆ หมายถึงปรารบความเพียรนะไม่ใช่ตัวตึงไม่ใช่ตัวปัญหาเราปรารบความเพียรอยู่ไม่ย่อย่อนปล่อยปละละเลยแต่ไม่บังคับเขาเรียกว่าเป็นการควบคุมในหมายถึงสติให้รู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวคือที่ในโพรงจมูกเราเพราะจิตเรามีสติความเพลินความเหลอ ลดลงจิตของเรานั้นจะมีความสงบระงับลงเป็นธรรมชาติเลยเป็นธรรมดาเลยสิ่งที่เป็นความระงับเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นความสงบระงับปรากฏขึ้นจากการที่สิ่งไรความฟุง้งเฟ้อความเพลินความอะไรแตมันระงับลงอันนี้มันเป็นคนละอย่างกันนะคนละอย่างนี่หมายถึงว่าเป็นเหรียญสองด้าน ของอันเดียวกันไงเออไอ้โต๊ะนี้มันหายไปดับไปเอยสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นแทนความระงับจึงปรากฏขึ้นแทนจากความที่ฟุ้งซ่านเปลอเปลนระงับลงความสงบนี่ไงความระงับนี่ไงมันจึงเกิดปรากฏโดยอัตโนมัติเวลาเรากําจัดสิ่งอะไรที่มันไม่ดีออกไปใช่ไหมความดีมันมันอยู่ตรงนั้นเลย เพราะว่าพอเอาของไม่ดีเอาของสโปรกเอาของน่าออกไปสิ่งดีๆมันปรากฏขึ้นทันทีเลยพอเราตั้งสติเอาไว้ได้สมาธิมันจะตามมาเลยไงบุคคลผู้มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้ในตันบาไว้พอเราตั้งสติไว้ได้สมาธิมันจึงจะตามมาไอตอนที่เราฝึกตั้งสติขึ้นนะยังไม่มีสมาธิหรอก นั่นแหะมันจึงเป็นปราการด่านแรกที่ว่าคนยังไม่มีสมาธิยังไม่เกิดปัญญาไม่เข้าใจสิ่งนั้นสิ่งนี้พระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไทรเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะยังจะเอาสมาธิให้เขายังจะเอาปัญญาให้เขาคิดว่าคนไม่มีสมาธิจะมีสมาธิได้ไงอมันไม่เห็นหรอกคนไม่มีปัญญาจะไป ม, มีปัญญาได้ไงอ้วนไม่รู้หรอกเอางั้นไอ้ตรงที่มันไม่รู้จะเปาไงจะค่อยเคลื่อนมาตรงที่รู้ได้ สติงเงิดันหวังสตินี่เกิดตรงที่เราไม่รู้ได้สตินี่เกิดตรงที่เราฟุง้งซ่านได้สติเกิเดตรงที่เราง่วงนอนได้สติเกิดตรงที่เราโกรธได้รู้ตัวก่อนละแค่นั้นแหละรู้ตัวว่าโกรธแล้วรู้ตัวว่าง่วงแล้วรู้ตัวว่าฟุง้งซ่านแล้วให้ตรงรู้ตัวได้แล้วนั่นน่ะมันเริ่มแยกแยะทันทีอา้าฉันโกรธละ อ่ะฉันม่วงละอ่ะรู้ตัวละรู้ตัวแล้วเยื่อลาไม่ได้เนละรู้ตัวก่อนแล้วนั่นคือระลึกได้แล้วไงว่าตัวเองมีอะไรอยู่ระลึกได้ความระลึกได้และนะ้วน่ะคือสติเพิ่มกําลังมันก็ไปเพิ่มกําลังสติก็ไปเพิ่มกํมาลังสติก็ไปเอ้าแม่แมรู้หนุ่มใจรู้หนุ่ม้ใจให้สติมีกําลังมากขึ้นพอสติมีกําลังมากขึ้นมีกําลังมากขึ้นเหมือนกับสานี่แหละ เป็นเสาเกือนเป็นเสาหลักตั้งขึ้นไว้ปูกสัตว์หกชนิดแนนอนมันมีแรงดึงกดง็ดึงไปดึงไปแต่ว่าเชือกไม่ขาดนะเสาไม่ล้มนะเชือกไม่ขาดเสาไม่ลม้มงูมาดิจระเข้มาดิเฮินกมาดิเชือกไม่ขาดเสาไม่ลม้มเราไม่ลืมลมมันจอดรนแรงลงเราไม่ตรึก ไม่คล้อยเคลื่อนจิตไม่นึกถึงไปในสิ่งไหนสิ่งนั้นจะต้องอ่อนกาลังรามาตรีตรึกอยู่กัลมไม่บังคับไม่ตรงเกรงแต่ทำอย่างเป็นธรรมชาติสิ่งนั้นก็มีพลังขึ้นมาสมาธิก็เกิดขึ้นมานี่มันตั้งแต่ขั้นแรกเลยนะวะพอเราละสิ่งทีเปลือบเลินชาอยู่มันให้ความสุข อประมาณเราจะได้สติมาสติจะมาทันดีสตินี่คือความสุขที่ดีกว่ายิงกว่ามีคุณมากกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโทษนะสติเนี่ยโดยก็มันมียยคือมันไม่เที่ยงไงแหมถ้ามาว่ามันจะแบบเป็ น, นก้อนๆให้กันได้ทุกคนทุกคนแล้วก็จัด ก, กันไปคนละก้อนสองก้อนนี่ โอ้ยมันก็ดีอะสิแต่มันไม่ได้ให้ได้แบบนั้นแล้วที่มันมีมามัดิมกระเสื่อมไปด้วยที่มีอยู่บางทีก็อ่อนกาลังได้มางทีก็เจริญได้โอเคไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงแบบนี้มันจะไม่มีโทษมันก็เป็นโทษของมันอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าไอ้โทษแบบนี้โอเคมอรับได้มันน้อยประโยชน์มันสูงนะอันไหนโทษน้อยประโยชน์มากหนึ่งดีกว่า อันไหนมีคุณมากมีโทษน้อยมันคือประเสริฐกว่าสติในจึงประเสริฐเป็นของดีเราละความเปลินความเบลอให้สู่เราได้ไหมได้สิฟังดนตรีบ้างดูละครดูลำโอ้เดี๋ยวนี้เ็าดูซีรีส์แล้วซีรีส์จีนนี่โอ้ดีนะืองเรื่องดีกว่าซีรีส์เกาหลีอีก โ อ, โอ้โอ้นั่นเพลินไปความเพลินมีความสุขไหมมีเหมือนดู Facebook ดูโซเชียลดู YouTube อะไรไปเงี้ยให้ความสุขไหมให้อยู่โทษละมีไหมโอ้เสียเวลาเลยบางทีเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี่บางคนดูซีรีส์รวดเดียว12ชั่วโมงบางคนดู Facebook YouTube ทิดว่าจะมาทำงานหาข้อมูลนั่นนี่อาฝาดไป ชั่วโมงหนสองชั่วโมงครึ่งข้อนวันบางทีแล้วบางทีบางทีนะมันนำโทษมามากกว่านั้นอีกเรื่องต่อไปเถียงกับผู้คนเป็นเรื่องราวดรามา่านักเข้านักเข้านี่ทาให้ผิดศีลได้นะโดยความที่ว่าเพลินไปแล้วไม่เห็นอันตรายของสิ่งใดๆมันทําให้ผิดศีลไปแล้วโอ้ยิ่งตกไกลเลยนำโทษมาให้ได้มาก คุณมีนิดหน่อยอะไรที่มีประโยชน์น้อยเปรียบเทียบกับอันตรายก็มันสูงอ้ อ, อตรงติด red flag ไว้ระวังอย่าเข้าไปใกล้มีอันตรายมากเราไม่เอาอันนั้นสละทิ้งเสียท่านจะมโบว่าสละสุกพอประมาณออกเสียให้มาหาสุกอันที่มันจะ ภบุญคำว่าภัยบุไภัยบุญเนี่ยคือเต็มเปี่ยมขึ้นมาจากคำว่าปุนณะอย่างชื่อของข้าพเจ้านี้ฉายาทางประสงค์พระอุปชาชตั้งให้ตอนบวชอภิอุนโนมาจากคาว่าปูณณะแปลว่าเต็มอาภิคือยิ่งเต็มแล้วยังเต็มอีกเหมือนทะเลมันลึกแล้วมันยังมีที่ลึกลงไปกว่านั้นอีกเอันนี้คิดว่าสุดแล้วเนี่ย มันยังมีอีกละเอียดแล้วละเอียดอีกดีขึ้นไปอีกอย่างนี้ไฟบุญมันคือจึงยิ่งขึ้นไปละเอียดลงไปสุขที่ละเอียดกว่าประเนนี้กว่ามันมีเราเอาสุขตรงนี้ต่อไปกว่านี้มันก็มีอีกนะสละสุขพอประมาณเพื่อเอาสุขที่ละเอียดยิ่งขึ้นละเอียดยิ่งขึ้น ในที่ว่าเราได้มาแล้วนั่นนะ่ะบางทีมันจะมีโทษอยู่ที่เรายังไม่เห็นเราก็ค่อยสละมันเมื่อเราเห็นไปเอาสิ่งที่ละเอียดกว่าประณีกว่าต่อไปมีอีกลักษณะแบบนี้มันจึงเป็นการพัฒนาไงคำว่า ง, างเป็นการพัฒนาพัฒนาภาษาอังกฤษก็ว่า development คือการพัฒนาคือเป็นการภาวนาเนี่นเองพัฒนาคือภาวนา ความหมายเดียวกันภาวนามาจากคำวมาาวิตาซึ่งโดยทั่วไปแล้วเขาก็จะแปลว่าทำห้เจริญทำห้เจริญคือแปลเป็นภาษาไทยอีกมันคือการพัฒนาเรามีการพัฒนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ เ, เหมือนกับทำซอฟต์แวร์นี่แหละจากเวอร์ชันน1ก็ไปเวอร์ชัน2จากเวอร์ชัน2ก็ไปเวอร์ชัน 2.5 จากเวอร์ชัน2 5ก็ไป 2.7 จาก 2.7 ก็ไป 2.8 นี่โอ้โอ้ Breakthrough เขานี้ไปเวอร์ชัน4เลยจากเวอร์ชัน 2.8 อา้าทำไมคุณกะโดดไปเวอร์ชัน4เลยอะยเรามีเทคโนโลยีใหม่เรามี AI เรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้เพิ่มฟีเจอร์เยอะแยะบูมเลยเวลาเราทำเราทำทีละนิดนิดเนี่ยนะทุกฝังทีละนิดนิดตั้งสติไว้ทีละนอ้นอยนอ้นอยดูลมไปทีละลม2ลมนี่แหละแต่ว่ามันถึงจุดที่มันทะลุทะลวงนะ เหมือนน้ำสะสมไว้สะสมไว้ที่ระยดระยดจังหวะที่มันเป็นแม่น้ำขึ้นมานี่เป็นเขื่อนขึ้นมานี่เปิดออกนี่น้ำท่วมเลยนะสติเราสะสมไวท้ทีละน้อยละน้อยสมาธิมีขึ้นมีขึ้นนี่พื้นที่ปัญญามันเกิดมันทะลุทะลวงขึ้นมาความเข้าใจในธรรมบางอย่างจะเกิดขึ้นในที่นี้ แน่นอนว่าสมารที่มันมีความสุขแน่นอนว่าไอ้สุกเล็กๆน้อยๆเรากําจัดออกไปเราไม่เอาหรอกอย่างคนเขาซื้อมอเตอร์ไซค์ใช่ป่ะล่ะใช้ไปใช้ไปก็ขายมอเตอร์ไซค์นี่ไปแล้วก็ซื้อรถกระบะมือสองเออซื้อรถกระบะมือสองมันยังดีวกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ยังเอาเหล็กหุ้มกระดูกอะ่ะไม่ใช่เอาเนื้อหุ้มเหล็กอะ่ะเออแต่พอเราใช้งานไปใช้งานไปกระบะมือสอง เราก็ขายไปซื้อรถเก๋งมือหนึ่งดีกว่าเอ้าที่รถเก๋งมือหนึ่งซื้อรถบุนไดซื้อรถเดวู oo, อ่ะถูกน้อยหรือตาตาก็ได้เอา้าอินเดียเออพอเราใช้ไปใช้ไปกำไรมากขึ้นเห็นประโยชน์ชัดเจนขึ้นคือเอาสิ่งนั้นมาใช้ประโยชน์นะประโยชน์ในการที่จะให้ได้คุณค่าอะไรสิ่งใดอย่างหนึ่งมาในกรณีนี้เอา้า คุณใช้มอเตอร์ไซค์ไปกับรถส่งของใช้รถกระบะไปส่งของที่มันใหญ่หน่อยใกล้หน่อยได้เงินท่ามาเปลี่ยนรถได้คราวนี้ซื้อรถอยุโรปเลยขายรถเก๋งธรรมดาไปซื้อรถหรูได้ราคาสูงได้นั่นคือทำให้มันละเอียดลงนั่นคือหมายความว่ามีการพัฒนานี่คือการภาวนา เป็นการทำให้เจริญจิตก็ต้องจะมีความเจริญขึ้นมีการพัฒนาขึ้นสติต้องมีอยู่ตลอดเส้นทางนี้เลยตํามังสมาธิก็มีอยู่ตลอดเส้นทางนี้เลยตําบังศีนก็ต้องมีอยู่ตลอดเส้นทางนี้เลยศีนสติสมาธิปัญญามีปัญญาแล้วมันจะทะลุทะลวงจะไม่ย้อนกลับไปคือบางที คุณมีเงินทองค้าขายแอะไรต่างดีใช่ไหมแต่ถ้าบางครั้งเศรษฐกิจมันไม่ดีหรือบริหารงานผิดพลาดคบเพื่อนชั่วถูกหลอกนั่นนี่เอาไอ้ที่ว่าขับรถหรูรถยุโรปใช่ไหมก็เลือดเต็มอฮอร์ไซคันเดียว เ, เหมือนเดิมเออกลับไปได้ไอ้ที่กลับไปได้ ห, ดไไดหนึ่งเพราะว่าเหมือนกันว่าจีกเราถ้ามันยังไม่ทะลุทะลวงเนี่ย มันยังมีการกลับกำเรงเมืองทีม่มันไปยินดีในกามอีกเมืองที่มันก็ยังไปยินดีเปลื้ยเปลินไปในสิ่งที่เราเคยละดได้เคยสละมาได้แล้วจิตของเราในี่มที่มันเป็นแต่เป ไ, ไงก็อย่าต่อตั้งสติขึ้นมาใช้ปัญญาคราวนี้ใช้ปัญญาตั้งสติขึ้นใช้ปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงแคเรามีความมั่นใจมีความศรัทธา ในพระพุทษเาท่านสอนไว้บอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความไม่เที่ยงสิ่งใดที่มีความไม่เที่ยงมันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยและปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงจะให้มันมั่นคงยั่งยืนเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ใช่ไอสภาวะที่มันมั่นคงยั่งยืนที่เราว่ามันจะเที่ยงแต่มันไม่เที่ยง มันเปลีป่ยนแปลงได้ไม่คงที่คงตัวมันคือความที่มันเป็นทุกข์มันตนอยู่ในสภาพเดิมไต่ยากสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ควรจะยึดตือสิ่งนั้นมาเป็นตัวเราของเราถ้าเราก็ใจตรงจุดนี้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นมีเงื่อนไขปัจจัยเสมออย่าไปเข้าใจว่าสิ่งนี้หรือสิ่งใด มันเที่ยงแท้มั่นคงอยู่เหมือนเดิมอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นลักษณะแบบนี้คือมีสัมมาทิฏฐิแล้วกำจัดจริงที่เป็นสักยะทิฏฐิคือความเห็นความเข้าใจว่าเออมันจะต้องคงที่คงตัวเหมือนเดิมไม่เปลีป่ยนแปลงเป็นอย่างนี้ก็ต้องไม่เป็นอย่างอื่น n no, น no no มันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแต่มันมีเงื่อนไขปัจจัยของทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเออเออเออังนี้เขาถ้าให้เกิดปัญญา ในการที่เห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นอาศัยเงื่อนไขปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีเงื่อนไขมีปัจจัยของเขาหมดเงื่อนไขนั้นมันอาจจะต้องใช้กำลังมากน้อยอาศัยเหตุปัจจัยไม่เท่ากันอย่างกระดับความเอียงไงถ้าเราเอียงนิดหน่อยใส่น้ำลงไปมันก็ไหลไปช้าช้าหน่อยแต่ถ้าเราเอียงมากๆ มีส้ลบสูงสูงมีองศาชั้นๆใส่น้ำไปโอ้มันไหลเร็วเพราะเหตุปัจจัยมันต่างกันมากน้อยที่มันต่างกันนี้แต่ทั้งหมดนั้นมันก็คือไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงได้ไม่คงที่ไม่คงตัวทุกอย่างเลยนะทุกังสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาฟังดูดูหูจมูกริางกายใจไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูป เป็นความคิดนึกเป็นกายเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นกายหรือเป็นใจจับต้องได้หรือเป็นแค่รู้สึกจะภายในหรือภายนอกยาบหรือละเอียดมีในที่ไกลหรือที่ใกล้เป็นของเราหรือเป็นของคนอื่นจะมีมาในอดีตปัจจุบันหรือต่อไปในอนาคต ทั้งหมดนี้นั้นนั่นนะ่ะมันต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยดังนั้นเหมือนจึงไม่เที่ยงต่อให้เราอ้อนวอนขอร้องอขอหน้าขอหน้าขอหน่อยอ้อนวอนแล้วได้ใช่ปะ่ะมันก็ต้องมีคนนั้นบันดาลให้นะเช่นว่าเราไปขอเงินเดินขึ้นหน้าหัวหน้าให้เงินเดินขึ้นหน่อยหัวหน้าก็ให้เออให้ง่ายๆก็ดีนะเออมันก็เที่ยงบ้าละ่ะก็ต้องให้เขาให้ไง มันมันแล้วมันเที่ยงบ้าล่ะมันจะไปเที่ยงได้ง่ายเขาเขาให้ตอนบ่ายโมงก็ไม่เที่ยงแล้วใช่ไล่ะไม่ใช่อันนั้นแต่หมายถึงมันต้องมีเงื่อนไขปัจจัยที่คนอื่นเขาทําให้หรือเหตุอย่างอื่นมันเกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่คนนี้ก็ได้ก็ถ้าฉันทํางานธุรกิจของฉันเองจะไม่ได้มีหัวหน้าจะจะมีเงินเดือนขึ้นแล้วก็เพิ่มยอดขายมันจะไม่ยากอะไรมันก็ต้องมีเงื่อนไขปัจจัยที่แตกต่างกันในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั่นแหละ เงื่อนไขปัจจัยนั่นแหละมันไม่เที่ยงไงมันไม่เที่ยงแต่ไม่ได้ใช้คํานี่อ้าวแต่บอกว่าเที่ยงใช่ไหมคือทั้งเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแล้วตัวมันไม่เปลี่ยนเลยอะถ้าเงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่มันเคยเป็นเคยมีอยู่เออแล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจริงจะค่อยว่ามันเที่ยงไงแต่เงื่อนไขปัจจัยของมัน ที่ใหมันเกิดขึ้นหรือดับไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ดับไปหรือมันไม่เกิดขึ้นตามนั้นดินั่นคือเที่ยงไงแต่เงื่อนไขประแจมันเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วดับไปแล้วมันก็ต้องดับไปตามกันน่ะหรือเกิดขึ้นตามกันน่ะคนเรามักจะเห็นความไม่เที่ยงตอนที่มันดับไปเท่านั้นแต่สิ่งอะไรก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นมาได้จากที่มันไม่มีนะมันไม่เที่ยงตั้งแต่วันนั้นแล้ว มันไม่เที่งตั้งแต่วันเกิดแล้วมันไม่เที่งตังแต่ก่อนที่มันจะเกิดด้วยซ้ำเพราะว่าถ้ามันรออยู่มันจะเกิดพอมีเงื่อนไขปัจจัยแล้วมันจึงจะเกิดมันไม่เที่ยงมาก่อนแล้วเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยไงตัวนี้ท่าจึงมีคําเรียกเฉพาะที่เรียกว่าอนัตตลมฟังเพราะมันไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนอะไรของมันเลยแต่มันเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่น ถ้าอัตตาคือตัวเองตัวตนใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนี้หรือมันอยากจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันตามแต่ที่มันต้องการโดยที่ไม่ต้องอาศัยเหตุปะัะจัยอื่นอื่นแต่แล้วมันจะโยมเป็นอัตตาได้แต่สิ่งที่เราเห็นทุกอย่างสิ่งที่เราสัมผัสได้ทุกสิ่งจะนามรูปกายใจจะเสียงจะภาพจะภายนอกภายในจะอดีอนาคตเหล่านั้นเป็นอนอัตตา ไม่ใช่ตัวงมันเอแต่ต้องเป็กิดจากสิ่งอื่นอันนี้คือให้คิดตามไปนะทูกฟังให้ใคร้กรวนตามไปนะพูดไปแล้วก็เหมือนสับหมูเวลาเขาสับเขาก็สับที่เดิมหละพูดไปแล้วก็เหมือนทํานาเวลาทํานาเขาก็ทําที่เดิ ม, มละแต่ทำไมหมูมันละเอียดลงอะ่ะเออไม่ใช่เป็นหมูชิ้นเหมือนเดิมจะเป็นชิ้นใหญ่ๆสับไปสับไปเออมันละเอียดเว้ ทำนาทำไมมีข้าวออกมาทุกปีทุกปีอ่ะก็นาแปลงเดิมแล้วก็ทําเหมือนเดิมด้วยนเอ้ยนี่คือความก้าวหน้าไงเราคิดไตรตรองใกล้ครุน้ราก็ทำเหมือนเดิมสละสุกอันพอประมาณให้ได้สุขภัยบุญเห็นความละเอียดต่างๆอันนี้มีโทษมากไม่เอาอันนี้มีโทษน้อยกว่าเออเอาดีปัญญาเนี่ยฟังไงปัญญาไงมีประโยชน์มากกว่า โทษมีไหมมีมันก็ไม่เจียงเหมือนกันสมาธิล่ะโทษมีไหมมีมันก็ไม่เจียมเหมือนกันนะประโยชน์ก็มีมากประโยชน์ของสมาธิมีมากประโยชน์ของปัญญามีมากกว่าไปอีกสนับสนุนกันเชื่อมโยงกันให้เราเห็นด้วยปัญญาชัดเจนตรรมฟังคือเราไครกรวนไปไกรกรวนไปเนี่ยด้วยสมาธิใช่ไหมปัญญามันจะเกิด เราไครคกรวนไปไครคกรวนไปด้วยสมาธิจะเกิดปัญญาปัญญาเกิดได้ไงนะก็ไอตอนเราไครคกรวนด้วยสมาธิมันเป็นวิปัสสนาไงวิปัสสนาท่านบอกไว้ข้ามเจ้พูดไปเมื่อไอปิโสตแล้วนี่งว่าถ้าเราเจริญกระทำให้มากประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดปัญญาขึ้นไงวิปัสสนาเจริญให้มากทายัางไงก็ ค, คิดนี่แล้ว ตามกระบวนการความเป็นจริงคือถ้าคิดตามจินตนาการหรือคิดตามแบบฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิปัสนาแต่คิดตามความเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนน่ะท่านสอนมา ง, งี้คิดไปไตรตรองไปใกล่ครวนไปเป็นสัญญาณนั่นแหละเป็นความหมายรู้ตอนแรกก็ไม่รู้อ่ะท่านพูดมาเราก็จึงค่อยรู้จำได้ สิ่งที่เป็นภาวนามัจยปัญญาของท่านเป็นปัญญาที่เกิดจากจิตใจส่วนลึกเลยท่านจะมอบให้เราได้ก็ผ่านทางคําสอนคือหมายถึงต้องผ่านกระบวนการทางความคิดนึกผ่านหลืบสมองกําหนดออกมาเป็นบทเพียนชนะบทเพียนชนะที่ท่านพูดเอาไว้มันก็ไม่ได้มาถึงเราเลยนะเพราะเราไม่ได้เกิดในสมัยพุทธกาลอยู่ต่อหน้าท่านตรงนั้นมันก็ผ่าน คนที่ก็ฟังอยู่ตรงนั้นแถวนั้นก่อนก็เหล่าภิกษุบ้างภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาฟังมาท่านแล้วก็ทรงจำํำมีท่า น, ร น, นพระนนททรงจําพระนนททรงจํามาแล้วมาบอกเหล่าพระอื่นๆก็ทรงจําเหล่าพระอื่นๆทรงจําแล้วก็มาบอกคนต่อไปคนต่อไปอื่นก็ทรงจํามาโอ้โอกลัวลืมก็ัวลืมเราก็จดบันทึกลงจดบันทึกลงมันก็ได้ทีแล้วก็ป o p y เอส่งก็ไปคนนั่นส่งกต่อมาคนนี้ก็ปีหนึ่งมาเสร็จปุ๊บมาทำเป็นอีกก็ปีหนึ่งเขาก็ส่งต่อกันมาส่งต่อกันมากว่าจะมาถึงเราเนี่ยนะถึงหูเราเนี่ยอาตุมันมันนานนมันไกลแล้วก็มันก็ยาวแลว้วก็หลายขั้นตอนมันจึงน่าอัศจรรย์มากว่า ม, มันมาถึงเราได้เแล้วถึงแล้วทีแรกมันก็ไม่ใช่ว่าจะเก็ตเลยนะ พี่มันก็ลืมมันก็ไม่ใส่ใจมันก็มองไม่เห็นให้ก็มาย้ำอีกรอบที่สองรอบที่สศีล ส, สมาธิปัญญาคําเนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทมาฟังได้ยินนะหรือถ้าได้ยินจากพ้าพเจ้าครั้งแรกก็คงจะได้ต้องได้ยินมาจากคนอื่นก่อนแล้วด้วยแล้วก็ตั้งแต่ตอนเด็กๆ ด, ด้วยได้ยินมาเนี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่จะให้มันทะลุทะลวงได้อ่ะ จะให้มันเกิดปัญญาเข้าใจลึกซึ้งได้นี่นี่ไงทำให้เจริญจะทำยังไงให้มันเจริญทำบ่อยๆทำมากๆทำบ่อยๆทามากๆทำอยู่อย่างต่อเนื่องทาอย่างติดต่อไม่ขาดสายปัญญามันจะเกิดวิปัสสนที่เมื่อเราเจริญกาะทำแล้วปัญญาจะเจริญแล้วปัญญามีไว้ไว้ทำอะไร อ๋อปัญญาที่ว่าเราทำเราจเจริญพัฒนาให้มากขึ้นแล้วเราจะละอวิชชาคือความไม่รู้ได้เราจะทำให้เกิดวิชชาคือความรู้ได้มันจึงทะลุตลวงไงเบรกโปรทะลุตะลวงกาจัดอวิชชาในความที่จิตของเราจะกลับกำเริบไปถึงจุดอะไรอีกเนี่ยที่ว่ากลับไรยนินดีในทางการม ยินีในความสุขมันเล็กน้อยสิ่งที่มีโทษมากยังกลับไปอยู่คราวนี้มันไม่กลับแล้วสบายแล้วหลุดจากกันแล้วเหมือนขั้วห่วงมะม่วงหลุดออกจากต้นใบไม้ร่วงหล่นลงมาจะให้มันติดกลับเข้าไปอีกเนี่ยมันไม่ละมันหลุดกันแล้วจิตของเราที่อวิชชา มันแบบ่าเอาแค่แคจางๆคลายไปจนถึงจุดที่ละสักยทิฏฐิลวิจิกิจฉาลศีลาปตะประมาได้นั่ น, นคือโสดาบันแล้วมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาวาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อ น, นิพานมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าไม่อาจที่จะทำกรรมที่เมื่อทำแล้วไปสู่นรกกำเนิดเตริดสารหรือเปรตวิสัยได้ปิดประตูบ่ายเปิดประตูนิพานแล้ว one way traffic เลยคราวนี้มุ่งหน้าตอนนิพพานอย่างเดียวแต่ยังไม่ถึงนะประตูอบายปิดไปแล้วประตูนิพพานเปิดไปแล้วหันหัวถูกทางแล้วเดินไปตามทางนี้เท่านั้นเองคำวางังเดินไปตามทางนี้ก็จะเข้าสู่ประตูแห่งนิพพานเป็นอวตารได้ถึงกับจตบันกระบวนการการเข้าไปตรงนี้ไม่มีทางเกินเจชาต ไม่มีชาติที่8แน่นอนนี่คือการเบร u ทูการทะลุทะลวงด้วยปัญญาในขั้นแรกที่เราสละสุขพอประมาณให้ได้สุขอันดียิ่งขึ้นสมมติว่าถ้าเราจะต้องมาสุขอีกในชาติที่8ชาติที่9ชาติที่10อย่างเงี้ยหรือชาติที่อเนกนานอย่างเงี้ยเฮ้ยเกิดแต่ละชาติคุณมีความสุขนะสุขยูได้กิ น, านอาหารอะไร แล้วก็ถ้าเป็นอาหารคลิปด้วยนี่ยิ่งดีเลยแต่ทุกมันก็มากอยู่ด้วยนะความแก่ความเจ็บความตายนี่นับด้วยนะมีสุขเหล่านั้นนี่ถ้าสุขจากการกินอาหารก็ต้องตอนถ่ายด้วยนะทําไมก็ได้ถ่ายทุกอะ่ะทําไมก็าเรียกสุขาว่าสุขาเพราะมันทุกไงยิ่งถ้ากินเผ็ดเผ็ดอร่อยดียิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยตอนถ่ายนี่เป็นยังไงโอไม่อร่อยแล้วอร่อยแต่ปากบนแต่ปากล่างนี่ก็ทุกไปด้วย มันมีทุกที่มาด้วยสุขน้อยทุกมากไม่เอาสุขดีละเอียดยิ่งขึ้นเอาดีกว่าแยกอย่าให้ได้แยกแยกให้ได้ด้วยปัญญาอันกิดจากการขรรยกรนุนอันเกิดจากสติสัมปชัญญะเราพิจารณาขรรยายกรุนนั้นฝังด้วยสติสัมปชัญญะที่เราตั้งเอาไว้จดจ่อไว้รักษาไว้ ลมหายใจนะเรามีทุกที่อยู่แล้วเรามีทุกที่ขนาดนอนยังหายใจให้เราไม่ลืมลม จ, จะเดินทางขับรถรับประทานอาหารคุยกับผู้คนไม่ลืมลมหายใจถูกข้าพเจ้าเองนั่งพูดอยู่ที่นี่ก็ไม่ลืมลมตั้งสติจดจ่อไว้อยูกับลม ลมหายใจแน่นอนมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะการพูดไม่ต่อเนื่องแต่สติให้ต่อเนื่องได้บางทีลมหายใจเราเบาหายไประงับไปสติเราตั้งไว้ที่เดิมตั้งไว้ที่เดิมสติมีอยู่แล้วพิจารณ า, าเขา้ควรเห็นตามความจรงิงไม่จากแง่มุมใดก็แง่มุมหนึ่งนั่นคือการทำวิปัสสนาปัญญาก็เกิดสมาที่ก็อยู่ตรงนั้นด้วย จิต ท, ที่ลอ้อล้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญารักษาไว้ให้ดีทำฝังรักษาไว้ดีรักษาไว้ให้ได้ตลอดทั้งวันบุคคลผู้มีสติสัมปชัญญะอย่างนี้จะเดินทางไปไหนจะมีความปลอดภัยจะขึ้นเหนือลงใต้ขึ้นที่สูงหรือลงไปในใต้ดินจะไปคนเดียวหรือจะไปกับใครจะมีความปลอดภัยจะมีความกล้าหาญ จิต น, น้นจะไปสูงได้ในรับการรักษาด้วยสตรีวายนันงและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือช่วงของจิตตวิเวในรายการธรรมาราบรุนซึ่งเป็นการฝึกทำจิตให้มีความสงบเราปฏิบัติทำไปด้วยกันการฝึกทำการฝึกปฏิบัติแบบนี้ข้าพเจ้าจะมาพาให้ท่านผู้ฟังร่วมกันนาไปในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้า ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา o r g p a n y a. o r g หรือว่าที่ youtube c h annel facebook fanpage ก็มีรายการนี้จะโดยมูลนิธิปัญญาภาวนา ซึ่งมีพระมาหาไปบูนอาพิปุนโนเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เริญรร